เรเมื่อไม่มีเงินเข้าแล้วเธอได้ไทเพื่อนใหญ่แล้เป็นอย่างนี้หรือไม่เละเพื่อนมีไม่ไท่ก็ว่าเพ่อนมันกระดูก ีคุณละเป็นหนังนีหรือไม่หลับฝันที่ไรและเป็นตระกิตกร่ำรวย ไม่มีเงินเท่าและเที่ยวในไทยเพื่อนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หรือไม่ละเพื่อนมีไม่ให้และว่าเพื่อนมันกระดูฉันเป็นบอยฉันเป็นบอยนี่เชื่อมันลอยให้เห็นเป็นลูกลูกฉันเป็นบอยเป็นถึงกระดูใครว่าถูกฉันว่าผิดติดนี่สาย จะผู้ชายอาเซียล้วเป็นต้องวิ่งเขาา้าใสแลรวเป็นอย่างนี้หรือไม่หลับฝันที่ไรล้วเป็นแต่คิดร่ำรวย